ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงปโพธิยาณกำลังนำเสนอพระพุทธํรรมรัตที่พระเจ้ารับสั่งแก่ปัญจวคีเมื่อพบกันคราวแรกในอิสิปตนามรุกถาโยวันก็คือรับสั่งไม่ให้ท่านตั้งห้านั้นเรียกพระองค์โดยพระนาม แล้วก็ใช้คำว่าอวุโส ซ, ซึ่งเป็นสรรพนามที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับนับถือก็เป็นคำที่ผู้ใหญ่กว่าพูดกับผู้น้อยหรือบางครั้งบางคราวก็คนรุ่นราวคเดียวกันแต่ว่าขณะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระหันสมาธสมบูชธธั่ถ้าหากว่าต้นเหล่านั้น จะสนใจฟังพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงก็จะได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมะโดยใช้คำว่าพวกเธอจงเงียบ ส, ดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงเพวนสังเกตนะครับว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วพระเจ้าจะสรู้ก็คือค้นพบความจริงเหล่านั้น ก็มีลักษณะของการชี้บอกคือการแสดงให้ทราบว่าอะไรเป็นอะไรบางครั้งเราก็พูดประการจำแนกการแสดงการชี้บอกซึ่งบางครั้งบางคราวก็จำเป็นจะต้องอธิบายขยายความในเรื่องตรงนั้นแต่ว่าทั้งหมดเป็นสัจธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติตามโครงสร้างของอริสัตย์ทั้งสี่ประการ แต่เมื่อองค์สูงแสดงแล้วก็รับสั่งว่าเมื่อผู้เธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วมีข้อแม่นะครข้อแม่เหล่านี้ก็ถือว่าใช้มาจนถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาไม่มีลักษณะของการดลบันดาลบงสวงอ่อนบอน่นขอร้องการประสิทธิ์ประสาทจากสิ่งสูงสุดตามลทัทธิความเชื่อในบางลทัทธิ แต่มนุษย์ก็อ่อนแอนะฮะคืออดที่จะทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะเห็นข้อความต่างๆซึ่งเรียบเรียงขึ้นในยุคหลังแล้วก็นามาสวดในรูปของการสรรเสริญพระพุทธเจา้าคือพูดง่ายๆว่ายอบพระพุทธเจา้าอย่าถามพระพุทธเจ้าโปรดไหมการทำอย่างนั้นที่จริงก็ไม่โปรด เพราะว่าเป็นการสูญเสียเวลาของการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติปเจ้ารอจะยอหรือไม่ยอพระองค์ก็เป็นอย่างที่พระองค์เป็นคนทั่วโลกมายกย่องสังเสริญพระองค์กันทั้งหมดมันก็ไม่ได้เพิ่มความดีอะไรให้แก่พระองค์แต่ก็อาจจะเพิ่มความดีคือกุศลหรือศรัทธาประสาทให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของบุคคลเหล่านั้น แต่ว่าโดยนื้หาสาระก็มุ่งไปสู่ภาคสนามคือภาคของการประปฏิบัติตอ น, นยังรับสั่งว่าพู้เตอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จะทำให้แจ้งซึกคุณอันยอดเยี่ยมเขามาทำให้แจ้งนั้นก็จะใช้ถึงผลสูงสุดคือทำปนิพัทธ์ใ้แจ้ง อาจจะเรียกว่านิโรธอาจจะเรียกว่ามิวส์อาจจะเรียกวา่ว า, จจ ว, าวิสุทธ์อะไรก็ได้นะก็หมายความว่าผลสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอรมริมักที่สมบูรณ์ผลกลุ่มธรรมะเหล่านี้เรียกว่าสัจจิกขาธรรมคือธรรมะที่บุคคลผนึกทำให้แจ่มแจ้งเกิดปรากฏขึ้นภายในจิตใจ เลักษณะคนแสงสว่างเมืม่อเกิดขึ้นภายใ น, ในใ จ, จิตใจก็จะทำหน้าที่กำจัดความมืดภายใ น, ใ น, ใ น, ในใ จ, จินตใจด้วยอำนาจตวิชาออกไปและผลเหล่านั้นเขาเรียกว่าที่สุดของมิอาจารย์คำว่ามงอาจารย์เป็นภาษาที่คล้ายๆกับปฏิรูปนะครับเพราะว่าเป็นคำที่เขาใช้กันอยู่ในสมัยโบราณแต่ว่าลักษณะคล้ายๆกับ เมื่อประพุติปฏิบัติไปตามหลักการตรงนั้นแล้วก็จะเข้าไปรวมกับพรห ม, มันหรือพระพรหมแล้วก็จะมีความสุขช่วนรันดนร์ภาษาเหล่านี้เมื่อถูกนำมาใช้ในพระพุทธศาสนาต้องฟังคนนึกออกที่ตอนที่เจ้ารับสั่งแสดงแก่ท่านป ร, ราโมงกชติเป็นการแสดงถึงผลแล้วาสนานเดียวกัน ทีรับสั่งว่าบุคคลใดมีบาปธรรมอรันลอยเสียแล้วไม่มีกิเลสเป็นเครื่องขู่คนอื่นบ่คือซึ่งเป็นคำายามบุคคลนั้นชื่อว่าพรามเพราะอะไรเพราะว่าอยู่จบพรหมจรรย์เพราะนพรหมจรรย์ก็คือโดยโดยผลก็คือการครองชีวิตที่ประเสริฐโดยเหตุก็คือการดำเนินชีวิตไป เพื่อไปสู่ผลที่ตนต้องการคือความสุขความสงบความยึกยงเมื่อกล่าโดยเนื้อหาสาระจริงๆคนดีทั้งหลายในโลกนี้ก็ได้ปฏิบัติพรหมจรรย์อยู่ระดับใด ร, ระดับหนึ่งจะมากหรือน้อยก็เป็นอีกครื่องหนึ่งเป็นข้อความที่น่าศึกษาสนใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นธรรมะปฏิบัติที่กระจายทั่วไปแก่คนดีทั้งหลาย ในพุทศาสนาจำแนกแสดงหลักการปฏิบัติที่สรุปรวมว่าเป็นพรหมจรรย์ไว้เป็นสิบระดับด้วยกันแต่ถ้าเรากล่าวโดยเนื้อหาสาระนะการดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางของไสยศีกขาหรือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรืออรมิมัชยปโองแปประการนั่นเองขอชื่อพรหมจรรย์ความแตกต่างมากักจะแตกต่างในเชิงภาษา แต่ว่าเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาแล้วก็คือการดำเนินชีวิตภายใต้หลักธรรมในการครองชีวิตและปฏิบัติตนร ต, รตามเหมาะควรแ ก, กร่กรณีดังนั้นนะมีการลดละจังลายของกิเลสไปตามกำลับบงความสามารถหรือไม่แสดงอารมณ์แสดงความเป็นทาสของกิเลสอย่างน้อยก็มีกิเลสไม่มากเกินไป วันตเรามาเรียงโดยลาดับนะประการแรกก็คือทานการให้การบริจาคทานในที่นี้เน้นไปโดยตรงที่ตัววัตถุทานซึ่งเป็นการให้โดยพื้นฐานการอนุเคราะห์คือการแสดงความมีน้ำใจต่อกันระหว่างเพื่อนกับเพื่อนญาติพี่น้องผู้บงังคับบัญชาผู้ใต้บงังคับบัญชาเนี่ยคือแสดงความมีน้ำใจต่อกัน ตัวทอนวงใหญ่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ก็ไม่ได้ถึงกับขาดแคลนอะไรมากนักเพียงแต่ว่าแสดงความมีน้ําใจต่อกันพราะโลกนั้นจะเชื่อมโยงกันได้เนี่ยด้วยการสงเคราะห์กันจะสงเคราะห์กันด้วยวัตถุหรือสงเคราะห์กันด้วยธรรมะปฏิบัติก็ตามแต่ว่ามนุษย์จะต้องสงเคราะห์กันถ้าขาดการสงเคราะห์แล้วโลกก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ วันชีิตเราจึงเริ่มที่การสงเคราะห์หรืออุปการะา ก, กันมาตั้งแต่เกิดนะฮะตั้ง ท, ที่จริงก็ตั้งแต่อยู่ในขันของแม่มาแล้วสถานีประการหนึ่งนั้นคืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาประสบปัญหาประสบความเดือดร้อนประสบความทุกประสบการขาดแคลนเราก็ให้เพื่อจะสงเคราะห์แต่การสงเคราะห์ในปัจจุบันเนี่ยที่จริงก็ไม่ใช่ยุคใดสมัยใดนะคือเราก็มีอยู่อย่างนี้ตลอด ในกรณีของขอทานเวลานี้ที่น่ากลัวเนี่ยคือมันกลายเป็นอาชีพแต่คนมาจากต่างชาติพวกเขเมรพวกลราวนี่จะเยอะมากแต่บางครั้งบางคราวก็ขโมยรักลูกของคนไทยไปเอาไปตัดมือซะบ้างคือทำให้พิการนะพู้เงานะทำให้พิการให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการขอทานแล้วก็นำไปวางจุด กระจายไว้ในทีต่างๆก็มีคนค้บคุมแต่ขอทานได้น้อยก็จะถูกลงโทษให้ประสบความทุกข์ทรมานต่างๆที่จริงบ้านเมืองเนี่ยก็รู้แสนรู้นะจะเป็นเรื่องแปลกที่ไม่ค่อยรับผิดชอบไม่ค่อยดูแลใจใสทำงานแบบไฟไม้ฝางเป็นปัญหาที่คนขับรถแท็กซี่ยัยงดูออก ใน่านะน้อยใจว่าคนซึ่งหน้ามีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยกรมม่ใชาสงเคราะห์กรมตํารวจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องดูแลใจใสปัญหาเหล่านี้ถ้าเราขึ้นไปสงเคราะห์มันก็เป็นการเพิ่มปริมาณของคนขอทานะมากยิ่งขึ้นเพราะการให้ทานเะนี่ยต้องผ่านการใคร่ครวนการพิจารณาการตรวจสอบการมองเห็นผลมองเหตุมองผลนะฮะ ตามสมควรก็เรียกว่าสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์เมื่อเขาอยู่ในสถานะที่จําเป็นจะต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ขาดแคลนจริงๆเดือดร้อนจริงๆประสบสาธารณาภัยหรือประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นครั้งเป็นคราวนะไม่ใช่สงเคราะห์แบบถาวร ยี่ยนหนึ่งเป็นการให้ในรูปของการแสดงพลังของศรัทธาพลังกัตัญญูพลังของความจงรักภักดีพลังของความรักนะก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะรู้สึกต่อท่านเหล่านั้นอย่างไงเช่นว่าการทําบุญดับบาปของพุทธศาส น, นิกชนเนี่ยมันอาศัยศรัทธาการเลี้ยงดูบรดาบิดาเนี่ยอาศัยกัตัญญูการเสียภาษีให้แก่รัฐเนี่ย อาศัยความรักษาบัญเมืองสํานึกกตัญญูหรือถวายแก่สถาบันประมากษัตริย์ูเกิดจากความจงรักภักดีโดยพาในลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพไปในจิตใจของเราที่มีความรู้สึกดีแล้วก็หนักแน่นเพราะว่าท่านเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณธรรมซึ่งผิดกับการสงเคราะห์สมเคราะห์เขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นทุกข์นะ คือเราเห็นทุกของเขาก็ช่วยบำบัดทุกข์น่้นเองแต่การให้ทานในแนวนี้เป็นการให้ทานเพื่อบูชาความดีของท่านล้วก็มีความรู้สึกประทับใจมีศรัทธามีภักดีมีกตัญญูมีความเลื่อมใสต่ต่อท่านเหล่านั้นแล้วก็ให้โดยมุ่งหวังผลคือบุญกุศลนี่เป็นหลักแล้วก็สมัครท่านก็คือเราได้มีโอกาสบูชา เป็นความสุขใจเป็นความสบายใจเพราการให้ทานเนี่ยมันเป็นลนักษณะเชื่อมโยงคนกับคนให้อยู่ร่วมกันด้วยความสร้างสารรค์เป็นนิจและที่สําคัญเหน่งยิ่งก็คือปลูกฝังความรักผู้ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักของผู้รับผู้รับเองนะฮะก็ต้องเป็นที่เคารพ ศรัทธานับถือพักดีสงสารเป็นมิตรอะไรก็แล้วแต่ใครแต่หมาความมาเป็นของไปความรู้สึกดีแต่รู้สึกไม่ดีเนี่ยจะไม่ให้แล้วก็บางคัง บ, บางคราวก็จะมีความประนีตขึ้นไปโดยมองไปที่ผลประโยชน์ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการให้เป็นประการสำคัญ แล้วก็ไม่สนใจว่าใครจะรู้จักตนเองหรือไม่ตัวนี้จะทํางานในนามของนิรนามหรือปิดทองหลังพลังแล้วแสดงให้เห็นอะไรแสดงว่าจิตใ จ, จเขามีความประณีตมีความละเอียดอ่อนมีความซับซึ้งในคุณความดีว่าการนําความดีจะทําอะไรอย่างก็ตามระดับใดก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่การรู้เห็นของบุคคลอื่น แต่ว่าอยู่ที่สิ่งซึ่งเราทําเนี่ยเป็นตัวกําหนดแม้นคนจะรู้เห็นเรายกย่องเราทําความดีเราก็ดีเท่าที่เราดีแม้นคนไม่เห็นไม่ยกย่องเราทําดีเราก็ดีเท่าที่เราดีเพราะวันเป็นกระบวนการของกรรมแต่ว่าในฐานะที่เป็นน่วยของสังคมเนี่ยฐานมันเป็นเชื่อมโยงคนกับคนเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีความรักของกรนและกันดังกล่าและเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายสัตบุรุษคือคนดีเมื่อจะสงเคราะห์ออกสงเคราะห์ท่านเหล่านี้แล้วคนที่ให้ทานนั้นจะมีสถานะมีเครดิตดีเมื่อเข้าไปสู่สังคมเี่จะได้สถานะจากสังคมการยอมรับัก็ถือยกช่องจากสังคม แล้วก็จะไม่หลงตายาตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุกติทีนี้เนะนี่ยตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเมื่อมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็จะไม่ใยดีในทรัพสมบัติทั้งหลายก็สละหมดมันก็กล า, ายเป็นการพัฒนาจิตอย่างแบบพระเวันดอนก็ดีและอย่างแบบสุมเมธธรรมนก็ดี ตัวอย่างพระอาหารหันต์ในสมัยพุทธกาลที่ทันสละทรัพย์สมบัติแล้วก็ออกไปอีกระดับหนึ่งมันก็เป็นพรหมจรรย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นพรหมจรรย์ที่สูงขึ้นประณีตขึ้นเพราะฉะนั้นพรหมจรรย์ระดับทานทั้งสามแนวเนะแนวอนุเคราะห์ก็ดีแนวสมเคราะห์ก็ดีแนวสักการบูชาก็ดีเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิธีสังคมเป็นการชดเชยอารมณ์ เป็นการเสริมสร้างคุณภาพจิตวิญญาณของมนุษย์ให้มีท่าทีต่อกันในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็เป็นมิตรจะมีความอบอุ่นความปลอดภัยความเชื่อมัน่นแต่นั้นทุศนาจึงสันเสริญเรื่องทานไว้เป็นอนึงมาอย่าไม่มีอะไรเนี่ยนะอย่างเช่นสมมติว่าเรานั่งรับประทานอาหาร ต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาหิวโหยเนี่ยยังไม่มีอะไรก็แบ่งให้เขาบ้างก็อาจจะไม่อิ่มแต่รู้สึกว่าได้ชดเชยอารมณ์แต่ถ้าเรากินแบบกะการตะกามโดยไม่มองหน้ามองหลังในสุดมันไม่สบายใจแต่บอกว่าเนกาสีลาปเตสุขขังการบริโภคคนเดียวเนี่ยไม่ได้สุข มันนี้คือการแสดงถึงน้ำใจโอปป้ามารีเพื่อเผื่อแผ่ในระดับของสังคมนะจิตใจก็สงบจากกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสงบจากโลภะสงบจากตณัณหาสงบสงบจากโทสะแล้วก็สงบจากโมหะหยากหยากเพราะคนเราต้องมองเห็นคุณค่านะคุณค่าของการกระทำถ้าเราไม่มองเห็นคุณค่าของการกระทำเราก็ไม่ทําการมองเห็นคุณค่าเนี่ยก็แสดงว่ามีวิชาคือความรู้ฝุดขึ้นภายใน ใ, นใจ ทานในแนวของการสงเคราะห์ของการอนุเคราะห์แม้ระดับนี้นะฮะแม้ระดับสงเคราะห์อนุเคราะห์มันก็สามารถสร้างทางแห่งสวรรค์ได้เพราะอะไรเพราะว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วก็คือเป็นลดกิเลส ด, ด้วยกันทีนี้บางครั้งบางคราวนี่มันเป็นลดกิเลสออกมากๆกม า, กมากมอย่างที่ท่านเล่าประวัติของหลวงพ่อวัดปากน้ํา ของพ่อสดวัดฝั่งนงนะ้ำเนี่ยล้วว่าล้วมาอยู่ที่วัดโพเนี่ยบินระบาดไม่ได้อยู่หลายวันสงสาวันไม่ได้ไม่ได้ฉันอะไรวันหนึ่งไปได้มันที่เดียวก็เตรียมจะฉันพอดีมามีหมาพร้อมโซมาจากไห น, นจะตายไม่ตายแลอยู่นี่ถ้าเกิดสงสารบุกไ ป, ปมาจับใจ ก็เห็นว่าตัวเองยังพออยู่ได้แต่หมาถ้าไม่ได้กินนี่มันตายแน่ในสุดก็ให้อาหารดอนั้นแกหมาไปเลยโดยตัวเองไม่ได้ชันได้ต็ติฐานใจว่าวันใดที่ท่านมีวาสนาบา ร, รมีท่านจะเลี้ยงพระเนรไม่อดอยากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องคนขั้พิเศษนะวัดบางนาทุกวันเนี่ยยังเลี้ยงพระเป็นรอยๆ ถือว่าน่าทึ่งอันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วอาจจะโดนทดสอบอะไรก็ได้นะตัวามาตัวนั้นต่อมาก็ไม่ได้เห็นอีกเลยคือมันมอยู่ที่ไหนทีนี้แมวแมวตรงเนี้ยในด้านของฐานเนี่ยมันเป็นบารมีเที่ยวเรียกที่เรียฐานนับบารมี แต่ด้งยความลองสังเกตอะบารมีพระโพธิสัตว์ทานศีลเนคขมา ป, ปัญญาทศพิจราชธรรมของพระราชาเริ่มที่ทานเหมือนกันท่านาั่งศีรละเหมือนกันเริ่มที่ทานที่ศีลเหมือนกันแล้วก็ออกไปเป็นรูปของบริจาคบริจาคก็ส่วนหนึ่งก็เป็นทานนะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความเสียสละทําไมจึงเป็นเน้นที่ตรงนี้เพราะว่าโลกนี้มันมีช่องว่างมันมีลักษณะแก่้ๆสุญญากาศ มันมีช่องว่างคือสัตว์โลกจำนวนหนึ่งในี่อัตคัดขาดแผรอยากรายขัดสนานาถาก็เรียกว่าไม่น้อยกว่าหกสิบเอร์ซ็นตแต่ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่ที่สหัสสาการจริงๆเนี่ยก็ไม่น้อยกว่าสามสิบอร์ซ็นตนผละคนที่อยู่ส่วนบนของสังคมซึ่งมีกำลังทรัพย์มีสถานะ แล้วก็เหลือกินเหลือใช้มากมายไก่กองเนี่ยไม่ได้สงเคราะห์นุเคราห์ไม่ได้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นในสุดคนเหล่านั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะในโครงสร้างของสังคมในแนวนี้ที่จริงถ้าก็ฝึกปรือให้คนแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มาตลอดในแวดวงของพระเองเนะที่พระเจ้าทรงวางไว้คือยังนึกถึง พอมาอยู่ที่วัดบาบอนเนี่ยมันโครงสร้างของวัดเนี่ยสภาพของวัดเนี่ยมันจัดขึ้นเป็นคณะคณะแล้วก็ห่างไกลกันแล้วอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพระไปฉันเข้าอยู่โรงฉันนะด้วยกันแต่มาทําไมไปฉันที่โรงฉันเพื่อจะได้ดูแล ก, กันรา่ในความเป็นจริงแล้วบางทีในบินทบาตไม่ได้เราอาตมามาอยู่กรุงเทพเจ็ดแปดปีแรกเนี่ยบ่อยที่สุดเลยบิณทบาตได้แต่ลม เราก็อายเด็กนะครก็หลบแล้วก็ข้าวก็ไม่ช้างก็ปิดประตูอ่านหนังสือก็ดื่มน้ําไปเพราะนภาพเหล่าเนี้ยถ้าหากว่าต่างคนต่า ง, งอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้รู้เห็นกันเพราะนพอไปอยู่ในโรงฉันเนี่ยมันก็ได้ดูแล ก, กันแต่ยังแน่องกรรมฐานที่เอ า, อาหารมารวมกันแต่ก่อนจะมาจัดแบ่ง ไปจะฉันอะไรทลายก็ออกไปเท่านั้นตอนนั้นก็ให้เป็นส่วนกลางเพื่อเฉลี่ยแบ่งปันเพราะว่าเรื่องปฏิสีนี่ให้เราสังเกตเนะี่ยเรื่องอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่พระวัติโลกจะอยู่ได้โดยอาหารแต่ว่าการสงเคราะห์มันก็แนวของปัจฏิสีสงเคราะห์เรื่องอาหารเรื่องเครืงนุ่งคมเรื่องที่อยู่อาศัย บางครั้งบางคราวก็เป็นยาแก้ไขอ่แนะแต่ว่ายาแก้ไข่ก็ไม่ควรจะส่งครอบไว้บ่อยคือรอให้แพทย์สั่งดีกว่าเพราะว่าเรืองบางเรื่องนะยาบางขนาดโรคบางโรคเนี่ยเราไม่ควรจะไป เ, เอายาอะไรไปให้เขาเพราะเราก็ไม่รู้มันจะหายหรือไม่หายเราไม่ใช่หมอหรือพอให้หมอเขาตรวจคนไทยบางทีค่อนข้างจะกินยาง่ายไปหน่อยนะใครให้ยาอะไรก็กินหม้อเลยเยอะเลย ใครป่วยอะไรบอกว่าป่วยอะไรก็มีคนบอกยาให้ต่เรแต่จริงแล้วควรระมัดระวังเพราออกจะเสี่ยงถ้าไม่เป็นปัญหาก็ดีไปบอเป็นปัญหาแล้วมันยากต่อการแก้ไขเพราะฉะนั้นทานเนี่ยมันต้องเกื้อกูลเป็นประการสำกัญคือเกื้อกูลต่อผู้รับเป็นประการสำกันถ้ามีลักษณะเสี่ยงมีปัญหาก็ไม่ควรจะให้แล้วฟังทงั้งหลาย ในรมประภิญานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญของําไปพูดในธรรมจงมีแด่ท่านพวกฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี